สามตรีตรการทาความรู้จัก a f a, a face c e conoscenza a f a c e c n o n z a สวัสดีค่ะ Ciao Ciao สวัสดีค่ะบูน่าซิวะบูน่าซวสบายดีไหมคะคุณมันทีมารจคุณมันาคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะเวน i ชดินยุโรปะเวนิชดินยุโรปคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ วันิดเมริวันดจาอเมริกาคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะวันิดจาอเชียวันิดจาอเชคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะอินคาร์โลควอนคาร์เทลลควิส์คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ เด็กคุดทีอยนี่คุณ่คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรอ่รคะ่เรคคุณชอบที่นี่ไหมคะอนอ่ที่นี่คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ Vă petreceți c o n c e d i u l aici? Vă petreceți c o n c e d i u l aici? Mai iem Dichen bang, naka. Să mă vizitați. Să mă vizitați. n i ș i u unde l c u i e ș t e d i c h a n Aici este adresa mea. Aici este adresa mea. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะเ e เ e เดมมิเนเนเ d เดมมิเนขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างอุมปาร์ r รเราดา e เดฌาอัมพลา i ุร i อุมปาร์เรเราดารเดฌา n ัมพลารก่อนค่ะเจ้าเจ้า ลาก่อนค่ะลาเรเวเดเรลาเรเวเดเรแล้วพบกันนะคะไปกูนไปกูรุน